สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่27สุภาษิตบทที่ยีบเจข้อยี่สามจนถึงข้อที่27ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีและจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้าเพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิดและมงกุทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันุ์หรือ เมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้วและหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมาและเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ภูเขากันแล้วเมื่อนั้นลูกแกะจะให้เชื้อผ้าแก่เจ้าและแพะก็จะเป็นค่านาจะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้าพี่นกคาพวจระของพระเจ้าในบริบทนี้ ก็คือการรับรองถึงการสำเร็จของอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพปศุสัตว์ครับก็คือการเลี้ยงสัตว์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆที่ถูกเน้นในเรื่องนี้ก็คือการดูแลแหล่งที่มาของทรัพยากรครับแหล่งที่มาของทรัพยากรของคนเรานะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการดูแลฝูงแพะแกะนั่นคือการทำงานหนักครับ การตระหนักและการชื่นชอบต่อการจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้เพียบพร้อมในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่รักพระเจ้าผู้ที่ไม่ปฏิเสธพระองค์ผู้ที่ดำเนินชีวิตของเขาไปกับการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมาดูกันทีละข้อนะครับในข้อที่23จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้าฝูงแพะแกะและฝูงโคนั้นก็มีความหมายได้หลายอย่างครับก็คือเป็นฝูงแพะแกะจริงๆฝูงโครจริงๆของเกษตรกรหรืออาจจะหมายความถึงผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่อยู่ในครัวเรือนผู้ที่เป็นคนที่รับจ้างเราในการดูแลสิ่งต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับรบริษัทนะครับเราอาจจะเป็นเจ้าของบริษัท และที่เหลือนั้นก็เป็นลูกน้องเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลลูกน้องดูแลสารทุกขสุขดิบของลูกน้องให้ดีครับเพราะว่าความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่เป็นนิดความมั่งคั่งหรือมงกุฎนะครับในประโยคต่อไปมงกุฎก็คงจะไม่ได้ทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันธ์ความมั่งคัง่งและมงกุฎนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองซึ่งความเจริญรุ่งเรืองหรือการประสบความสําเร็จในระดับท็อปท็นะครับก็ อยู่เพียงชั่วคราวอยู่เพียงรุ่น2รุ่นเท่านั้นและไม่มีประวัติที่บันทึกว่าเกิน3รุ่นถึง4รุ่นเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายจะต้องพยายามรักษาและรักษาจิตใจผ่อนคลายไต่ถามสารทุกข์สุกดิบของลูกน้องของเราของบุคลากรในบริษัทของเราหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยนะครับ คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนพี่น้องครับคนเรานั้นเมื่อประสบความสำเร็จก็สามารถที่จะประสบกับความตกต่ำได้ความสำเร็จนั้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีหรือเป็นเครื่องที่ยืนยันว่าเราจะประสบความล้มเหลวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาสิ่งที่เป็นทรัพยากรนะครับหรือเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทรัพยากรนั้นไว้ให้ได้ และเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นโดยตัวมันเองนะครับพวกมันมีแนวโน้มที่จะลดลงเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับเดิมทีเป็นทรัพยากรที่ดีมากทีเดียวแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้หรือมันลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องดูแลรักษามันอย่างดีครับและสิ่งที่สําคัญที่เป็นคําสอนในที่นี้ในฐานะสังคมเกษตรกรรมนะครับก็ จะต้องกล่าวถึงผลของความเกียจค้านครับถากว่าเราเป็นชาวนาหรือเกษตรกรนั้นเราจะต้องเอาใจใส่ฝูงแพะแกะและต้องไม่เกียจค้านครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรเป็นทุนของเรานะครับฝูงแพะแกะนั้นถ้าเราดูแลดีๆครับฝูงโคฝูงโคฝูงวัวดูแลดีๆนั้นก็ทําให้เกิดลูกหลานมากมายครับเงินทองใช้มันจะหมด แต่ถ้าดูแลฝูงแพะแกะฝูงโคนั้นมันก็จะเกิดเป็นผลผลิตเป็นไรายได้ต่อไปการเป็นกรรษัตริย์ได้สวมมงกุฎนั้นก็ไม่ถาวรครับพี่น้องครับข้อต่อไปได้บันทึกว่าเมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้วและหญ้าใหม่ก็งอกขึ้นมาและเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ภูเขาแล้วนั่นคือเวลาครับวาระและเวลาวาระและเวลาเทนที่นี้หมายถึงว่าหญ้าแห้ง และหญ้านั้นเป็นอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งในที่สุดมันก็จะให้ผลผลิตตอบสนองต่อความต้องการนะครับก็คือผลผลิตจากหญ้าแห้งและฟางนะครับจากหญ้าซึ่งเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนั้นผลผลิตก็คือขนแกะครับและเงินทองจากการการขายแพะแกะนะครับแล้วก็น้ํานมของแกะของแพะและไม่เพียงแต่เท่านั้นชีวิตของแพะเนื้อของแพะนั้นก็กลายมาเป็นอาหารครับ ทำให้ครอบครัวเราได้อิ่มหมีผีมันและคนรับใช้ของเราก็ได้กินเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะต้องเอาใจใส่ตัวผลิตครับนะครับเอาใจใส่ตัวผลิตเอาใจใส่ฝูงแพะแกะเอาใจใส่ โ, โคนะครับที่เรามีอยู่และทํางานของเราให้หนักครับทํางานของเราที่จะไม่ต้องเกียจคร้านเอาใจใส่ทรัพยากรของเราและรับทราบถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติ อันนี้สําคัญครับและในที่สุดนะครับฝูงแพะแกะก็จะให้เสื้อผ้าแก่เจ้าและแพะก็จะเป็นค่านาและจะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าอย่างเพียงพอทั้งเป็นอาหารแก่ครูเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องอยังชีพสาวใช้ของเจ้านี่คือการประสบความสําเร็จครับในหน้าที่การงานของเกษตรก ร, ร, กรหรือหน้าที่การงานของอผู้ที่ลงทุนทั้งหลายพี่น้องครับ ถ้าเรามองในแง่ของฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นถึงความเป็นผู้เลี้ยงครับความเป็นสิทธิพิบาลที่เป็นผู้ที่เลี้ยงแกะของพระเจ้าเราจะต้องเอาใจใส่สารทุกข์สุขดิบความทุกข์สุขของลูกแกะของเรานะครับและอะไรครับเพราะว่าในที่สุดนั้นลูกแกะของเรานะครับก็จะเติบใหญ่และสามารถที่จะ เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้และไม่ต้องห่วงครับเมื่อถึงตรงนั้นนะครับผู้เลี้ยงที่สัตว์ซื้อและผู้เลี้ยงที่ดีก็จะรับบําเหน็จตอบแทนไม่เพียงแต่มาจากพระเจ้าครับแต่ก็มาจากสมาชิกลูกแกะของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมเองนั้นก็ได้ประสบกับตัวเองและได้เห็นถึงผู้เลี้ยงนะครับจิตญาพิบาลผู้อภิบาลมากมายครับผู้รับใช้พระเจ้าที่ ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากเลยนะครับเมื่อเขารับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความรักและด้วยความซื่อสัตย์ในที่สุดพระเจ้าก็จะประทานสิ่งที่ดีมากๆจนเขาคาดคิดไม่ถึงให้กับชีวิตของบรรดาศิจพิบาลผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าอามีน